บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค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 ศีลสิะขาจิตและศิขาปัญญาศิขาหรือศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมะที่ทรงสั่งสอนดังเช่นไตรศิขา ดังกล่าวอันที่จริงธรรมะที่ทรงสั่งสอนนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกๆุกคนต่างมีพื้นอยู่ในจิตใจของตนและโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่า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 เป็นผลของกุศลคำว่ากุศลนั้นแปลว่ากิจของคนฉลาดโดยตรงความฉลาดนี่แหละเป็นกุศลก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาจึงมีสัจาติปัญญา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 บังเกิดมีสัตว์โลกมาในโลกนี้ก็ว่าได้มนุษย์ได้มีความเจริญต่างๆทั้งในด้านวัตถุทั้งในด้านจิตใจในด้านวัตถุนั่นก็มีความรู้ความฉลาดสามารถ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 ผูเป็นพระศาสดาเอกบังเกิดขึ้นในโลกก็จากหมู่มนุษย์นี้เองการแสดงถึงมีความเจริญทางจิตใจถึงที่สุดสามารถปฏิบัติทำากเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปได้ส่วนสัตว์ดนเดชานั้นเรียกว่าตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้ก็อยู่คงที่นั่นเอง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 ชีวิต ь, ซึ่งเป็นเครื่องทรงหรือดำรงร่างกายหรือรวมเรียกว่าบุคคลสัตว์ให้ดำรงอยู่หรือให้ทรงอยู่เช่นร่างกายที่มีชีวิต ь, ก็เป็นร่างกายที่ดำรงอยู่ทรงอยู่ ยืนเดินนั่งนอนได้ชีวิตเป็นเครื่องทรงหรือดำรงร่างกายนี้ดังกล่าวแต่ถ้าขาดชีวิตไม่มีชีวิตร่างกายนี้ก็ต้องนอนทอดทิ้งอยู่เป็นบนแผ่นดิน ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมายืนเดินนั่งนอนได้เพราะไม่มีเครื่องทรงอยู่คือชีวิตและเครื่องทรงอยู่คือชีวิตนี้ก็ประกอบด้วยจิตใจและกายอันนี้ที่รวมกันอยู่นั่นเองกายและจิตใจนี้ ทรงอยู่ดำรงอยู่หรือว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุทั้งหกที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าบุรุษสตรีนี้มีธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่างกับวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ ประกอบกันอยู่ทรงอยู่ยังดํารงความเป็นสัตว์บุคคลเป็นชายเป็นหญิงที่ดํารงชีวิตยอยู่ได้ถ้าผ่านเหล่านี้แตกสลายความทรงอยู่ดํารงอยู่ของชีวิตก็ต้องสิ้นไปหมดไปสิ่งที่ดํารงอยู่หรือทรงอยู่ อันเป็นเครื่องให้ทรงอยู่หรือดำรงอยู่ดังกล่าวนี้ก็เท่ากับเป็นธรรมะที่แปลว่าทรงอยู่หรือดำรงอยู่คุณอันเป็นเครื่องให้ทรงอยู่ดำรงอยู่ก็คือธรรมะนั่นเองตัวธรรมะเองนั้นก็ทรงอยู่ดำรงอยู่และส่วนที่เป็นคุณ ก็เป็นเครื่องทําให้ทรงอยู่ดำรงอยู่ในทางที่เป็นคุณด้วยและแม่ส่วนที่เป็นโทษก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นโทษก็เป็นสิ่งที่ทรงอยู่ดำรงอยู่โดยความเป็นโทษและทําให้ผูที่มีอยู่ ก็ทรงอยู่ดำรงอยู่โดยความเป็นโทษในทุกๆคนย่อมมีสิ่งที่ทรงอยู่ดำรงอยู่ดังกล่าวมานี่และนอกจากส่วนที่เป็นคุณและส่วนที่เป็นโทษแล้วยังมีส่วนที่เป็นกลางๆไม่ใช่คุณไม่ใช่โทษก็เป็นส่วนที่ทรงอยู่ดำรงอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าผู้ตรัสสรลในสัจจะที่เป็นตัวความจริงจึงได้ตรัสแสดงไว้ทั้งหมดว่าธรรมะคือส่วนที่ทรงอยู่ดำรงอยู่นี้มีเป็นสามคือกุศลธรรมะทำทั้งหลายที่เป็นกุศล อากุศลธรรมมาทาทั้งหลายที่เป็นอากุศลอัพยากตาธรรมมาทาทั้งหลายที่เป็นอภิยากฤจคือไ ม, ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อากุศลเมื่อจะชิดตัวอย่างธรรมะที่เป็นส่วนกุศลก็ได้มีอยู่ ในบุคคลผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ยกข้อที่สำคัญที่สุดก็คือสัชาติปัญญาปัญญาที่ได้มากับชาติคือความเกิดพร้อมทั้งสังขารร่างกายจิตใจอันพร้อมที่จะได้ปฏิบัติกระทา ในทางพัฒนาคือทำให้เกิดความเจริญนี้เป็นตัวอย่างของกุศลธรรมส่วนนี่เป็นอกุศลธรรมนั่นก็ยกตัวอย่างได้แก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ไม่ได้สัาจิปัญญามาเหมือนอย่างมนุษย์มีร่างกายพร้อมนักกิจใจไม่ อาจที่จะปฏิบัติพัฒนาให้มันเกิดความเจริญส่วนที่เป็นกลางๆงนั่นก็หมายถึงร่างกายและจิตใจเองที่ได้มาโดยธรรมชาติธรรมดาตลอดจนถึงการกระทา ที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเช่นการยืนเดินนั่งนอนการบริโภคการทายซึ่งเป็นไปตามธรรมดาของร่างกายตลอดจนถึงการดูการฟังการสูดดมการลิ้มรส การถูกต้องทางกายความคิดต่างๆรวมทั้งการกระทาอะไรๆการพูดอะไรๆการคิดอะไรๆที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเหล่านี้นับว่าเป็นของกลางๆเช่นคนที่ ต้องยืนเดินนั่งนอนต้องกินดื่มทำพูดคิดต่างๆเป็นต้นดังกล่าวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าบาปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความชั่วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นกลางไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่ว พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนให้ใช้สิ่งที่มีเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานี่แหละละความชั่วกระทำความดีต่างๆคือว่าใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้มนะคือใจพร้อมทั้งวาจาหรือว่า การทวารทั้งสามคือกายวาจาใจเว้นจากอากุศลลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลประกอบกุศลลธรรมคือธรรมะที่เป็นกุศลต่างๆเพราะว่ากุศลลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากการกะระทำ อันประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจสำเร็จเป็นการงานที่กระทาต่างๆอันเรียกว่ากรรมแปลว่าการงานที่กระทาเมื่อทําดีก็เป็นกรรมดีเมื่อทําชั่วก็เป็นกรรมชัว่วเพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งถึงการกระทําการงานที่กระทําดังกล่าวนี้ ยังเรียกว่ากรรมและกรรมนังกล่าวมานี่คือการกระทำหรือการงานที่กระทาเมื่อทาชั่วเราก็เรียกกันในภาษาไทยว่าทำความชั่วทำดีก็เรียกกันในภาษาไทยว่าทำความดีมีคำว่าความความดีความชั่ว เพราะฉะนั้นคำว่าความดีก็คือกุศลธรรมนั่นเองความชั่วก็คืออกุศลธรรมนั่นเองซึ่งแสดงว่าต้องมีความดีต้องมีความชั่วอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีมีความดีมีความชั่วมีความดีก็คือมีกุศลธรรม มีความชั่วของมีก็คือมีอกุศลธรรมคำว่าธรรมะนั้นเป็นสภาพก็คือตัวความที่เราพูดกันในภาษาไทยนี้เองแต่ว่าความดีความชั่วนี้จะปรากฏด้วยการกระทาเมื่อกระทาความดีก็เป็นกรรมดีเมื่อกระทาความชั่วก็เป็นกรรมชั่วแต่เมื่อไม่กระทา ความดีความชั่วก็ย่อมยังไม่มาเกิดขึ้นในบุคคลต่อเมื่อกระทําจึงจะมามาเกิดขึ้นในบุคคลและเมื่อมามาเกิดขึ้นในบุคคลก็ทําให้บุคคลเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่วไปตามความดีหรือความชั่วที่กระทํา และก็เป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วขึ้นทันทีที่ได้กระทำความดีหรือความชั่วนั้นนี้เป็นสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนในการกระทำความดีหรือความชั่วทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะที่เป็นกลางๆ อันมีอยู่ในบุคคลทุกคนคือกายใจหรือกายและจิตหรือว่าสังขารร่างกายที่สมมติเรียกว่าอัตภาพตัวตนนี่แหละหรือว่าโดยตรงเมื่โยกเอาเทาววันคือทางที่จะกระทำกรรมก็คือ กายทวารทางกายวจีทวานทางวาจามโนทวานทางใจนี้เองซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆคือเป็นส่วนที่เป็นกลางๆเป็นความที่เป็นกลางกางซึ่งทุกคนได้มาตั้งแต่กําเนิดเกิดมาก็มี กายและจิตนี้มามีสังขารร่างกายนี้มามีกายวาจาใจนี้มาหรือเรียกตามภาษาธรรมะว่าเป็นวิบากขันคือเป็นขันที่เป็นวิบากคือเป็นส่วนผลที่บาได้มาตั้งแต่เกิดไม่เรียกว่าเป็นดีหรือไม่เรียกว่าเป็นชั่วเป็นกลางๆ ก, ก็ให้ใช้ส่วนที่เป็นกลางกลางนี่แหละ โดยเว้นจากกรรมที่ชั่วที่ผิดอันเรียกว่าอากุศ ล, ลกรรมหรือบา ป, ปรกรรมประกอบกรรมที่ดีที่ชอบอันเรียกว่าบุญกรรมหรือกุศลกุศลกรรมและก็ตรัสให้ชำระจิตใจของเราของตนเองนี่แหละให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะจิตใจนี้เป็นส่วนสําคัญมาจับ ก, กล่าวถึงศีลสมาธิปัญญา พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนจากธรรมชาติธรรมดาคือธรรมะที่เป็นกลางๆที่ทุกคนมีอยู่นี่แหละเพราะว่าทุกคนนั่นก็ต้องมีกายพร้อมทั้งใจอันประกอบด้วยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกาย และมโนคือใจและทุกคนเมื่อจะทำอะไรก็ต้องใช้ร่างกายใช้ตาใช้หูเป็นต้นเช่นว่าเมื่อจะฟังอะไรก็ต้องใช้หูฟัง จะดูอะไรก็ต้องใช้าตาดูจะทราบกลิ่นก็ต้องใช้จมูกจะทราบรสก็ต้องใช้ลิ้นจะทราบสิ่งถูกต้องก็ต้องใช้ากายจะคิดจะรู้อะไรก็ต้องใช้มโนโคือใจก็ต้องอาศัยอายณาจักรเหล่านี้นั่นเองและโดยเฉพาะ อาณาจัก5ข้อของังตนคือตาหูจมูกลิ้นและกายนั้นเป็นส่วนประสาททางร่างกายซึ่งเป็นส่วนภายนอกส่วนมโนอันเป็นข้อที่หกนั้นเป็นส่วนภายในประกอบกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรทุกอย่าง จึงต้องอาศัยทั้งหกทางนี้ประกอบกันยกตัวอย่างเช่นกำลังฟังธรร ม, มัญญาอยู่นี่ก็ต้องมีร่างกายพร้อมที่จะฟังดังเช่นที่นั่งสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจสำรวมกายนั่นก็คือ ร่างกายพร้อมทั้งหูเรียกว่าเงียหูที่จะฟังกายก็ต้องมีความสารวมสารวมวาจานั้นก็คือต้องสารวมความคิดซึ่งเป็นต้นของวาจาไม่คิดไปในเรื่องอื่นและสารวมใจนั้นก็คือต้องตั้งใจมีความตั้งใจที่จะฟังเรียกว่า ในการฟังนี้หูก็ต้องฟังวาจาคือความคิดก็ต้องคิดไปในสิ่งที่ฟังใจก็ต้องตั้งที่จะฟังคือใจก็ต้องฟังแปลว่าหูก็ต้องฟังใจก็ต้องฟังและความคิดก็ต้องคิดไปตามที่ฟังดังนี้ จึงจะฟังได้ยินและเมื่อฟังได้ยินก็รู้เรื่องที่ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟังความรู้เรื่องที่ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟังนี้คือตัวปัญญาและความที่ตั้งใจฟังเป็นตัวสมาธิความที่สัรวมกายเงียหูฟังเป็นศีน ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าแม้ในการฟังธรรมบัรยายที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้กายก็ต้องเป็นศีลคือต้องมีความเป็นปกติมีความสำรวมใจก็องมีสมาธิคือตั้งใจตั้งใจฟังจึงจะได้ปัญญาคือความที่ฟังได้ยิน และได้ความรู้ความเข้าใจตามที่ฟังตามที่จะพึงได้อันเป็นตัวปัญญาทุกคนจะต้องใช้อาการของร่างกายที่ต้องสำรวมอาการของใจที่ต้องตั้งใจดังนี้พร้อมทั้งความคิดไปตาม จึงจะได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ทำนั้นๆต้องเป็นดังนี้ทุกอย่างอันจะขาดเสียไม่ได้ถ้าขาดเสียแล้วการทำการงานทุกอย่างไม่มีความสาเร็จตั้งแต่เป็นเด็กเรียนหนังสือมาในขั้นต้นจนถึงเรียนสาเร็จ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 ตัวอาการทั้งสามนี้จริงๆงงงย่อมเป็นของกลางๆแต่ว่าใช้ไปได้ทั้งในทางดีทั้งในทางชั่วเหมือนอย่างมือทั้งสองของทุกๆคนที่มีอยู่ก็เป็นของกลางๆมือไม่ดีไม่ชั่วอะไรเป็นของกลางๆแต่ว่าจะใช้มือทำความชั่วเช่นไปชกต่อยใครต่อใครทำร้ายใครต่อใครก็เป็นการทำชั่ว แต่จะใช้มือทำดีเช่นใช้มือทำการทำงานที่เป็นประโยชน์ทำบุญทำกุศลต่างๆก็เป็นการใช้ทำความดีตัวมือเองนั้นไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วแต่ว่าตัวบุคคลนั่นแหละ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 ละความชั่วและให้เพิ่มพลังของการกระทาโดยเพิ่มพลังของอาการที่มีอยู่เป็นธรรมชาติเป็นวาดนี่แหละให้มีพลังในการที่จะที่จะละความชั่วที่จะกระทาความดีให้มากขึ้นจึงได้ทรงบัญญัต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 ตัวความรู้ที่เป็นสชาดิปัญญาปัญญาโดยชาติกำเนิดและที่สังสมเพิ่มเติมมานี่ให้เป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงในตนเองให้รู้จักนามรูปหรือขันธ์ห้าโดยเป็นไตรลักษณ์อันนี้จะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์งแปลปรนเปลี่ยนแปลงอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัตน เพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราอันเป็นปัญญาที่กำจัดหรือที่ดับกิเลสและกองทุกต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูวและตั้งใจทมความรวบสุขต่อไป